คิดต้นคิดนี้อเข้ามาแทนประเดี๋ยวเราก็เริ่มต้นใหม่จับลมหายใจเขาออกหายใจเข้าครวนาตามหายใจออกครวนาตามแตกประเดี๋ยวเดียวมันก็ไปแล้วไมคิดเรืองอื่นต่อไปอย่างนี้ถ้าเรียกว่าคณิกาสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณิกาสมาธิตัวอย่างที่พูดเมื่คืนนี้ ก็มีคนใช้ของอนาถบุิกาเศรษฐีเมื่อตายจะก็อาศัยคณิกาสสมาธิไปเป็นลูกเทวดาแต่ว่าเป็นลูกเทวดาที่มีนุภาพมากมันได้ฤาษีทั้งหลายที่มาพักใต้ต้นไสที่เธออยู่นึกว่าต้นไม้ตันนี้มีใหญ่เป็นต้นใหญ่มีสาขามาก คงจะมีสิเทวดาที่มีอำนาจมากไม่ใหนสาขาคือจะอำนาจมากสิงสถิตอยู่ผลหน้าฤๅษีคิดว่าถ้าเทวดาเลี้ยงน้ำเราก็ดีก็เดินทางมาไกลก็หอยน้ำมากเทวดารู้ใจฤๅษีก็บรรดาดน้ำให้กินต่อมาฤๅษีคิดว่าเวลาน่ากินน้ำแล้วถ้าได้กินผลไม้ก็ดีเราเอามาหิว เทวดาก็บระดานผลไม้ให้กินหลังจากกินผลไม้แล้วฤาษีก็คิดว่าถ้าเรามีสะอาบน้ําก็ดีเพราะร้อนมากเทวดาก็บระดานสายเกิดขึ้นหลังจากนั้นเทวดาฤาษีนี้คิดว่าเทวดาที่มีคุณภาพมากอยากเห็นตัวเทวดาก็แสดงตัวให้ปรากฏพร้อมในวิมานเป็นเทวดาที่เป็นลูกเทวดาที่มีความสวยสด ง, งามมากไม่แสงสหว่างมาก ถ้ามีบิบายนี่สวยมากต่อมาจาึงแนะนำให้บรรดาเรือีทั้งหลายเราท่า น, นรู้ว่าเวลาที่สำเร็จพระผู่มีพระภาคคือพระพุทธเจ้าบัตรขึ้แล้วในโลกเรือศีทั้งหลายเราท่านฟังว่าพระเจ้าเขึ้นแล้วถามว่าเวลานี้อยู่ดทิศไหนเือเทวดาก็บอกอยู่ทิศโน้นแล้วหันหน้าไปทางทิศนั้นต่างองค์ต่างลุกขึ้นกราบสามครั้งโดยความเคารพ เวลานั้นพระเจ้าของอุบัติขมาใหม่ๆหลังจากนั้นบรรดาฤาษีทั้งหลายก็ลาเทวดาไปไปพระพุทธเจ้าครั้งแรกแพระพุทธเจ้าจบเดียวเป็นพระารานทั้งหมดเมื่อคืนและมาจุดแค่นี้นะวันนี้ก็จะพูดถึงสมาธิต่อไปสมาธิต่อไปตามขั้นตอนคุณจิตที่เป็นสมาธิก็คืออุปจารสมาธิ ทำมอุปจารสมาธินในแปลว่าใกล้ฌานได้เฉียดฌานยังไม่ถึงฌานสมาบัติอุปจารสมาธิมีอาการห้าอย่างหนึ่งปีติมันเขรีมีอการสามอย่างหนึปีติสองสุขสามอิริามีปีติกับสุขเลพราะเอาเอาหนักหนักหนัจริงๆแล้วมีปีติกับสุขปีติมีแปลความอิ่มใจ ความสุขมีความสุขใจมากทั้งความสุขเกิดขึ้นจากสมาธิเราไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้ว่าความสุขขนาดไหนที่เราพบมาแล้วเทียบเท่าความสุขในสมาธิไม่เหมือนจะได้เรื่องของความสุขไหมไม่มีความทั้งการมากต้มาพูดทั้งปีตีก่อนเมื่อจิตเข้าทั้งอุปจารสมาธิจิตจะมีความสบายมากขึ้น แตาหูยินดียินเสียงชัดเนจนแจ่มใสใครพูดอะไรที่ไหนก็ได้ยินแล้วว่าความลนำขาดในเสียงน้อยลงจิตมีการชุ่มชื่นมากมีความสบายมากแในตอนที่เข้าถึงอุปจารสมาธินิบรรดาท่านผู้ประสัท ต, ต้องระวังที่เขบอกว่าการเจริญกรรมฐ า, านไม่คนบ้านในะตอนนี้ตอนที่จิตเข้าถึงปีติหรืออุปจารสมาธิ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 ไม่ใช่ว่าทำกรรมฐานคนจะไม่เลิกวันยังข้ามคืยังรุ่งไม่เลิกอันใช้ไม่ได้เกินไปเป็นอัตจารย์กรรมฐ า, านนิยมคือการทรมานตัวพราาวะพุทธเจ้าบอกว่าไม่จะทางมรุมาตรผลที่ได้เมื่อจิตเข้าถึงสักีติเทวปราชสมาธิก็ต้องระมัดระวังว่ามันจะสุขขนาดไหนก็เชิญสุขมันจะเ อ, อบอิ่งใจขนาดไหนก็เฉยเ อ, อบอี่งแต่ว่าเราจะต้องพักผ่อนตามเวลาที่เราเคยพักผ่อน ถ้าจิตถึงตอนนี้บรรดาในพุโดยริษัทเราจะสามารถกําหนดเวลาหลับเวลาตื่นได้เพราะว่าเรานอนไปนี่จะบังคับให้หลับภายใน5นาทีหรือสามนาทีโดยกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกอจิตจับที่ลมหายใจออกภายในเวลาเท่านั้นมันจะหลับถ้าเราคิจะตื่นเวลาไหนตั้งใจไว้ว่าเวลานาฬิกาเท่านั้นเราจะตื่นไม่ต้องตั้งนาฬิกาตรงมันจะตื่นตามเวลาที่เราตั้งใจไว้ นี่เป็นสมาธี่ที่มีกำลังสูงเรียกไตชาญสมาบัติตพรนี้นอาการของเขาปีติมีห้าอย่างคือหนึ่งขนพองผยองกล้า2สองน้ำตาไหลสามร่างกายโยกโคลงสี่ตัวเต้นเหมือเหมือนปุกพระและลอยไปอากาศห้ามีอาการซราบซ่านอาการทั้งห้าอย่างนี้อาจจะไม่เกิดกับคนทุกคน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 ถ้าสมาธิยังไม่เลยจากนั้นไปหรือไม่ต่ําลงมามันก็จะเป็นแบบนั้นอันหนึ่งอันดับแรกขนฟองสยองกล้าวมานันว่าขนลุกสูส้ซาเริ่มนึกถึงสมาธิพับจิตจะุกขนลุกสู้ซาสมาทัทนตีตันใดเหมือนกับเรากลัวผีแต่เวลานั้นจิตจะมีความเอิบอิ่มมากจิตจะมีการทรงตัวนี่แวดการที่แรงถ้าหากว่า ถ้าจิตมีการทั้งแข่ขนาดนี้ถ้าจิตไม่เลยไปไม่ขนลุกแบดกันบางทีใครก็พูดอะไรชอบใจขช่มาก็ขลุกสโซซาก็ต้องปล่อยมันไปเมื่อทําเรื่อยๆไปจิตทรงตัวดีขึ้นมาอาการขนพองสยองเก้า 9, คือขนลุกสโซซาก็หายไปต่อไปเ ข, เข้าเขตที่สองก็ําตาไหลคือเสอื่น เริ่มจิตเริ่มไปสมาธิเข้าข้า ด, ดําตาก็เริ่มไหลห้ามไม่ฟังห้ามยังไงก็ไม่อยู่ก็ต้องปล่อยมันปล่อยตามสบายสบายน้ําตาไหลก็เช็ดมันเวลานี้เคลื่อนไหวได้เพราะว่าถ้าจิตเขาถกอุปจาระสมาธิจะเคลื่อนไหวได้จิตไม่เคลื่อนเคลื่อนไหวทางกายได้ถ้าําตาไหลแล้วก็เช็ดนําตาน้ำมูก ไ, ไ, ไห ล, ไไหลแล้วก็เช็ดน้ํนามู ก, ก, มกจิตมันจะทรงตัว ต่อมาถ้าจิตเลยก็อีนิดหนึ่งทันที่ตาตาเลิกไหลมันจะหยุดไปพักหนึ่งจิตนีกำลังสูงขึ้นก็จะมีร่างกายโยกโครงโยกหน้าโยกหลังโยกข้างข้าซ้ายโยกขวายโยกไปยโยกมาทางทาง่านร่างกายโยกแบบนั้นจิตก็มีความสุขจิตก็มีความเอิบอิ่มอันนี้แบบการอีสามก็ปีติตต้องจาไม่ได้นะ ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันไปจะฝืนถ้าฝืนจะเป็นการลดกําลังสมาธิลงปล่อยไปนั่นเมื่อกําลังมันเต็มสมาธิจิตตัวนี้แล้วต่อไปจิตก็จะร่างกายก็จะหยุดชั่วคราวต่อไปเมื่อเข้าถึงอุเพลงคาวีติคือวีติตัวที่สี่ก็จิงมีการเต้นมันก็ปลุกพระสต่นปับปัปับปัปัับนะมือสั่นเป็นปับปับ บางคนก็มีตัวลอยในาอากาศบางทีก็ลอยไปไกลแต่การลอยไปนัี่ไม่จมําเป็นต้องกลัวถ้าจิตเคลื่อนมาเลยมันจะลงที่เดิมเหมือนกับพรที่จังหวัดสุรา ธ, ธานีให้ เ, เขียนนักสือมาในเล่มสองคนะนั้นครับเร่มสองนะใช่ครับจะบอกตัวลอยลอยไปรอบๆเมืองเห็นทั้งล่างหมดทุกอย่างพอคิดจะมาวัดท่าสุวรรกลับที่เดิม ไอย้ยางนั้นเขาไม่ใช่เรียกเหาะเขาเรียกปีติพอจิตเข้าขั้นตอนนั้นมันก็ลอยเองแล้วก็จิตเคลื่อนมันลงที่เก่าที่ร่างนี่ฉีดไปได้เลยนะมันจะไม่เคลื่อนก็เป็นว่าถ้าการเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยมันไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปแล้วกลับไปได้ให้กลัวไปไม่ได้ก็แล้วกันไม่ใช่เหาะยังเรียกปีติการอิ่มใจตอนนี้ปีติตัวที่ห้ามีการซาบซ่าน หนังสือคํารู้ึะเขียนยังไงก็ต้องเสียนว่ า, ามีการซาบสรรั่นมันมีการสู้ซาในตัวมันสู้ก็กาย็ลมไหลออกที่แรกนะเหมือนก็ลมไหลออกมีความรู้สึกชัดดับเข้าแล้วก็ไหลออกว่าทั้งไม่รู้สึกว่ามีตัวมีความรู้สึกมีกหน้าแต่หน้าจะโตขึ้นหน้าใหญ่ขึ้นถที่ตอนนี้หนักหัวเหมือนกัน แต่ ว, ว่าถ้าจิตมันผ่านนี้ไปแล้วถ้าผ่านตู้นี้ไปก็เข้าถึงฌานเมื่อเข้าถึงตกมีร้วจิตก็จะมีความสุขเขาต้องสุกตัวที่สองแม่เป็นตัวที่สองเขงปีติของอกจาระสมาธิต่อไปจิตก็จะมีความสุขมันสุขสันมากอธิบายไม่ถูกสุขหาความทุกข์ไม่ได้แต่สุขของานโลกี แต่พลทธะขณะที่จิตเข้าถึงปีติอุจารสมาธินิบรนดาเป็ น, นพุทธไวสัตทุกคนไอ้ที่บอกว่าเคยขี้เกียจเจริญสมาธิแลาไม่มีแล้วมีแต่ขยนันวิติภูอิ่มใจขยันทําอยากทําถ้าทําขึ้นมาอะไรก็มีความอิ่มใจมีความสุขใจเมือนั้นแต่ก็จงอย่าขยันเกินไ ป, ไปไนถ้าขยันเกินไปเป็นโนรคเส้นปรสาทไอ้ที่เ่าเป็นเจริญกำถันบ้านนะ อันที่บ้าคือว่าควรจะพักผ่อนสมมติว่าเราเคยนอนสี่ทุ่มห้าทุมหกทุ่มอะไรเนี่ยเคยพักผ่อนเวลาไหนถ้ามันยังไม่อยากนอนอมันอยากจะทํารื่อยไปจิตมันอิ่มถ้าผืนผืนแบบนั้นไม่ใช่ร่างกายก็สุดสง่งทรายเรากินต้องพักตามเวลาเดิมที่เราเคยพัก <c oughs> จะกําหนดให้มันตื่นตามเวลาเ ด, เดิมที่เราเคยตื่นเนี่ยต่อไปเมื่อจิตเข้าั้นความสุขมีความสุขมาก คันมาคุยกันเรงว่าวานนี้คุยกัวนกว่าการเข้าถึงจิตเข้าถึงคติกาสมาธิเป็นรูปรเทวดาได้ใช่ไหมอ๋อใช่ับครัอนี้อริสองอริสงน่หาตัวอย่างไม่ได้่ด้วยที่เมืี้ที่ไ่นอนหาไม่พบลึกไปออกหนังสือเขียนที่ไหนบ้างคือว่ากำลังรุปปีติคนใดถ้าจะได้งอนานาเข้าถึงปีติหรืออุปจารสมาธิ อุปจารสมาธิก็เรียกนะปีติก็เรียกส ก, กุเรียกเรียกได้เราจะเรียกให้ทุนจิตเรียกอุปจาระสมาธิใกล่ชานสมาบัติให้สมาธิตัวนี้มันมันตรงกับเวลาที่เราฟังเสียงสวดมนต์เราสวดมนต์เองก็ดีฟังเสียงสวดมนต์ก็ดีด้วยความตั้งใจเคารพจริง เวลานั้นจิตจะเข้าถึงอุปจารสมาธินั่นก็หนักที่สดมันก็ดีฟังเสียงมองดีจิตอุปจารสมาธิด้วยถ้าวราจะยังเอาฐานจิตก็เป็นอุปจารสมาธิเหมือนกันฉนั้นคนที่มีกําลังใจแค่อุปจารสมาธิถ้าเวลาจะตายจิตของเราจับอยู่ในอุปจารสมาธิก่อนตายเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเทวดานางฟ้าชั้นยามา โเคงก็เราดึงหนึ่งชั้นนะเพื่อชั้นยามานี่ดีมากเป็นชั้นที่พระอินไม่เรียกใช้ก็ถือว่าเป็นพระก็แล้วกัน เ, ออเหมือนกับพระตจ้าตำดาเทวดาทุกชั้นไม่อินเรียกใช้ได้ใช่ไหเป็นไวแต่ชั้นรลุดสร็จกับยามาสองชันน้นเนี่ยชั้นหลุดเสร็จสำเือนเหมือนพระจริงๆเขาเป็นพ ร, รพระบริษัตพระบริษัตมีหน้าที่อย่างเดียวคือมาเทศโปรด เทวดานะตั้งแั่เทวดาใช้ยามาก็บาเป็นบารมีต่อโดยทรงเหมือนกันไม่รู้จักเหมือนกันช้ยามานี่เราจะสังเกตได้ว่าเป็นเทวดาหรือนางฟ้าแต่งตัวทุตสีขาวขาวใสไดนะ้ขาว ไ, ไม่ใช่ขาวผ้านะขาวแก้วแพรวาวด้เพชรใชแต่สีขาวอย่างเดียว ตอนนี้นเมื่อหาหนังสือไม่ได้ฉันจะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่ง <Yeah. S 1> ก็วีคราวหนึ่ง <Yeah. S 1> ก็ไอเรื่องสวรรค์นรนะกไป็นความจริงเรเที่ยวทุกวันนะปกติ oh. มีวันหนึ่งไปเที่ยวใหญ่จะเท่เหมดทั้งหกชั้น <Yeah. S 1> ก็ไปชั้นเจ้าตกระด่างเองเขอผ่านไปนะแล้วก็ไปใช้นตะดึงพอไปถึงชั้นยา ม, มาก็ท่านมหายา ม, มาท่ายา ม, มา จะโอ้หน้าเทวดาใหญ่ลงมารับนอกเขตเมื่อท่านมารับก็คุยท่านพักหนึ่งก็เ่าเดินเข้าไปอีกไปพบเทวดาองค์หนึ่งก็ดั่งป่วยยิงคุยกันพราะเออเทวดาองค์นั้นท่านไม่เคยเจริกนกรรมาฐานท่านเป็นนักสวดมนต์อไอสวดมนต์ก็เด็ก็เป็นอกรรมาฐานเหมือนกันแต่เไม่เข้าใจกันเอ ง, เ, องอเวลาสวดมนต์นี่เป็นอุปจาระสมาธินี่เราสวดมนต์ทุกวันแล้วต้กว่าเขาเจะเป็นกรรมฐานก็แบบไหนนะ เราทำจริจจะทําได้ท่านเนี่ยตัวสวดมนต์น่ะเป็นสมาธิแล้วอชาระสมาธิการสวดมนต์เองก็ตามฟังการสวดมนต์เองก็ตามทําก็ตามโอชารัสมาธิหม่กานสิพอเทวดาไม่อีกองหนึ่งก็หันไปคุยเทวดาองค์ที่สองเทวดานี่นั่งลงไปแล้วสวดมนต์แล้วหันไปยคุยกับสวดมนต์แล้วไม่ยอมฟังเสียง ถามว่าไอ้เมืองนี้ทํามาเป็นย่างเงเทวดานั้น เ, เคยอธิบายบอกเขาอย่างนี้แหละท่านท้าเจะบางท้าก็บอกว่าท่านเทวดาท่านนี้มาจากเจารันสมาธิเป็นอุปจารสมาธิบ้างวางเท้ากเป็นนักสวดมนต์บ้างอุปจารสมาธิก็สวดมนต์ไปสมาธิอันเดียวกันทั้นข้าใครเคยสวดมนต์มาอาศัยเพราะการสวดมนต์เทวดาท่านนี้มาที่นี่เราสวดมนต์ต่อ ถ้าใครเคยเจอคำฐานมาก็เดินคำฐานต่อไปดูกันเงียบสงัดเทวดะนี้ไม่มีร้องรำทำเพลงไ ม, ไ, มไม่เหมือนไม่เหมือนจะดึงอันายนเขาจะเรียกการคุยจากครั้งหนึ่งเป็นบ้าทธร บ, บุญต่อถ้าเป็นว่าอานิสองสอ์วจารสมาธิสามารถเป็นเทวดาวเป็นนางฟ้าชัดยามาได้ก็เรเป็นเป็นว่าทุกคนให้จําให้ดีว่าอาการเขาปีติมีห้าอย่าง ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นจงอย่าตกใจปล่อยไปตามสภาพของมันให้ะเก็ดใจเวลาฝึกจริงๆเราฝึกที่ใจไม่ได้ฝึกที่กายกายบัญญัขนลุกขนพองหยองก้าวก็ช่างมันกายจะตาตาไหลก็ช่างมันกายจะยกโครงก็ช่างมันกายบัญญัเต้นแล้วมันจะลอยก็ช่างมัน มันจะมีการทราบร้างกระชังมันดูใจเป็นสำคัญใจจะมีความสุขใจจะมีความอิ่มในเมื่อผ่านสุขมันแล้วตอนนี้ก็เข้าผสมฌมานเข้าเอกตารมนะไปฟัมวันทีนะความจริงถ้าจะเรียนคำถา่ายข้นอุปจารสมาธินี่นงสือบางเล่มเขาบอกไว้ด้วยนะบางเล่มบอกว่าให้เลือก เกิดได้ทุกชั้นของเทวดาหูชั้นแต่ความจริงไม่ใช่เทวดาเนี่ยเขาเป็การจำกัดใครจะเกิดชั้นไหนได้จะไม่ได้เลือกเกิดทรงเดชไม่ได้ไม่ใช่ ย, ยกทรงนี่ยคิวยุติยาดันผามอยู่ประตูนาม <c oughs> <c oughs> มาได้นยมานะสมเคราะห์คร <c oughs> <ป>ับมาสมเคราะห์ก็แปลว่าเทวดาถ้านจะเกิดเป็นเทวดาสมมติเทวดาชั้นเจ้าตัมหาราช ยาตัมารดาดเนี่ยเถือเป็นเป็ตาหายเขาพระอินเป็นการป้องกนนัน ป, ปันแป้งรอรหนคนที่จะเกิดปเป็นเทวดาชั้นนี้ได้ต้องเคยได้ฌานสมาบัติมาก่อนอเคยได้ฌานที่หนึ่งนี่นที่สองนี่นที่สามไม่ถึงสี่แต่ว่าเวลาจะตายไม่ได้เข้าฌานตายตายเ น, น่าฌานจิตเป็นกุศลเฉยเฉยน ะ, ะจิตไม่ถึงฌาน ต้องไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนี้เมื่ออายุห้าสิบปีของเราเป็นหนึ่งวันของท่านสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนที่สองเดือนเป็นหนึ่งปีอายุความเป็นที่จริงก็ห้าร้อยปีเมื่อพ้นจากห้าร้อยปีไปแล้วเมือม่อเทวดาชนิีชายก็ส่งตัวเมือ่อชานส่งตัวพ้นจากเทวดาอัปชั้นนี้ไปแล้วถ้าไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นสมเลยผ่านไปเลยจะปล่อยไปเลยเพาะชาญส่งตัวแล้วนะ ตอนนี้ถ้าเราจะเกิดเช่นดาวดึงไอ้ดาวดึงเนะี่ยเช้นเคยดุดุพระพุทธเจ้าดุตอนนั่นกงกาลังบันทึกเสียงส่งของบินสี่สถาการศูนสี่ตอนนั่งกานนกลังบันทึกเสียงอยู่ตั้งใจจะส่งไปที่ศูนย์สี่ใช่ไหมมันว่างมั้งไม่ว่างมั้งถ้าว่างก็ไปเองถ้าไม่ว่างก็สมบันทึกเสียงไปทด็ก็ล้ามาพูดถึงดาวดึง กำลังพูดอยู่กำลังทึกเสียงชั้นดาวชัดเนเทวดาชช้นไหนก็ตามเป็นได้ยากเป็นชั้นเทวดาชั้นดาวเรดองนี่เปง่ายเพียงแค่ให้ทายแกสัตว์นิดหน่งยังคนเดินทางปไปพบสุนัขข้าเขาแบ่งอาหารให้สุนัขกินตายอยากความเป็นคนไปเทวดาวัสวรรค์ชั้นดาวดึงคนคไทยคนหนึ่งกินทางกินข้าวริมน้ำกินข้าน้านะใช้แม่น้ำ เห็นตาไหวมาโปรยข้าวปลายกินตายไปสอนท่านาดึงแล้วไปยังไงเพราะพูดทางนี้ดีเสียงท่านดีลบเสียงสั่งลบสามลบเลยครับลบเสียงบันทึกใหม่คุณเทศผิดคนจะลงนรกแต่คนเดียวก็เชิญลงกันเถอนี่ชวนยาบ้านเขาลงนรกไปด้วยบายมากไอ้เราก็ไปเปรียบเพียก่วนนั้นใช่ไหมเลยถามท่านว่าทําไมจีว่าผิดเพราะทมบดว่าอย่างนี้ ถ้าบอกต้องใช้ปัญญาพิจารณาดู oh. ว่าคนเดินทานเะขามีอาหารไปเท่าไหร่ <Yeah. S 2> มันห่ออาหารไปแค่จํากัดใครจากัดแค่พอของเขาใช่ไหมมันจะเหลือกินหรือไม่เหลือกินก็ยังไม่แน่ oh. การให้อย่าดัานถสีวว่าเป็นการตัดชีวิต oh. เขาอาจจะอิ่มไม่พอก็ได้ oh. จะไม่ขออิ่นะเพาต้องแบ่งให้สัตว์อย่างแม้สุนัขไี่ต้องแบ่งมากหน่อยแล้วโตมันโต oh. ปลาที่อาจจะน้อยแต่ก็ได้เนะ เสียงไกลก็ดีเข้ามีอาหารจํากัดมีอาหารน้อยต้องถือว่าทําบุญเพื่อตัดชีวิตจริงเป็นเส้นดาวรดึงได้เลยต้องเลิกกลับกระดึกใหม่ยังกับประเทศติจิบัตรสมุทรสงครามอันนอเรื่องเอาแค่อาจาร์รัสมาที่ก่อนประเทศติจิบัติสมุทรสงครามว่าไปที่ไรก็ที่วัดเสียก่อนไอวัดอะไรวะไปถึงก็มีโยมผู้ชายคนนึงที่ฉลาดมาก แม่ถึงก็คุยธรรมะแกคุยถามธรรมะเราตอบได้หมดทุกคราวใช่ไหมก็โดยไม่เอาประจําสัมองค์พระคุณธรรมพานมหาะยูนก็าก็ฉันนะไม่วันหนึ่งกาลังฉันข้าวอยู่แกก็บอกว่าแม่เพระเด้พระคุณทั้สามองค์นี่ครับรู้ไม่หมดผมรู้หมดชักมีปัญหาแล้วถามว่าโยมันเป็นยังไงแกบอกว่า ผมมากี่ท่านมากี่เที่ยวผมถามปัญหากี่ข้อตอบได้หมดตรงตามความเป็นจริงตามต ร, รารู้ไม่หมดคราบผมเคยถามคำต้องคำหมดแล้วไม่มีจะตอบแล้วก็ยิ้มยิ้มนะพอยิ้ม ย, ยิ้มก็โดนค้อนเลยคนนี้จะถามว่าวันนี้ผมมีข้อข้องใจอย่างหนึ่งครับพระเดช ก, กุณว่าตรรประท ร, รมดานางเซลดาดัางฟ้าเนะมีความเป็นทิพย์รูปร่รางหน้านตา ก, ก็ตรองสวย เทวดาก็สวยนางฟ้าก็สวยท้าก็มีวมานเป็นเครื่องอยู่แต่ว่าอาสูรก็มีความเป็นทิพเหมือนกันมีวิมานเป็นเคืองอยู่เหมือนกันมีความเป็นทิพทุกอย่างเหมือนกันจะทําไมหน้ายุ่งครับหน้าไม่สวยอจอเลยออมองหน้าหลอกแหลกหลอกแหลกสามตัวช<อ>าวคนมึง ม, มองหน้ากูาอมองหน้า ม, มึงพอเจอคุณศาลอยู่คนกันเฮ้ย อ, องนั่นสิหาเยอะมองนั่นสิชาวกระฐานฉันบอกโยม ข้อข้อใจของโยงมเนี่ดีมากประโยชน์น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้นสาธุชนไม่เคยมีใครถามใครที่ไหนเลยพระเทพก็ไม่เคยพบถ้าจะตอบพระโยมฟังคนเดียวก็จะมีความรู้แต่ผู้เดียวนะนักเทศเสอย่างวันนี้ขอตอบบนธรรมะจะได้ฟังการทั่วทองสลาแล้วก็นึกไปใจกูไม่เท่ทั้งหมดเรื่องราวไป ก็เล้ยงใจตอนนั้นแกก็ยอมทอ ม, อมยอมรับแกตั้งใจตอนนี้ก่อนจะเทศเขาก็ต้องอาบน้ำพระก่อนใช่ไหมส่งน้ำพระแต่ว่าไกรเพรขนาดที่รอการส่งน้ำก็ดีเสียงกล้องในอากาศเสียงเพราะมากากังวานจัดเพราะคุณนักเทศต้องรู้ทุกอย่างคำว่าไม่รู้ต้องไม่มีที่สทาาตป็นในการแสดงนชะ่ ก็เลยตอบท่านบอกว่าในเมื่อมันไม่รู้สักอย่างจะรู้ได้ยังไงท่านบอกถางท่านเลยบอกว่าไม่รู้ทําไมจะไม่ถามท่านั้นก็เลยบอกว่าถ้านั้นขอถามเดี๋ยเนี้ว่าอาศูนย์ทำไมยังหน้าอยู่ท่านก็ตอบให้ฟังชัดมากแล้วว่าพวกนี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์เวลาทําบุญทําบุญผสมโทสะจะจำไม่ดีนะเวลาทําบุญผสมโทสะ ขณะที่ฟังพระสวดก็ดีเรื่องฟังเทศก็ตามย่ า, ายิ้ไทก็ตามนะ <view S 1> ที่อเยียรักษารักษาสมาทานสิ่งก็ตาม ย, าา ย, ย่างใดยันหนึหน่งสำหรับทำบุญเกิดโทษสะมาเวลานั้นยังกำลังนั่งฟังพระสวดบพลินเนี่ยมีคนสะกิดนี่ญาติมาคนนั้ น, าานบางคนนั้นต้องการนี่คนนั้นต้องการ น, นี่เกิดโมโหโทสโขึ้นมาเวลานั้นทํำบุญผสมทโทษสะตายจริงๆแบลศูนย์จำให้ดีนะการจีงเสียงนั้นเป็นเสียงมุขตะเจ้า เคยไปเทศทุกครั้งได้จนดอนขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นไรไม่รอนลายถา่าเราก็ท่าไม่ถ้าจะขึ้นเทศตอนรัตนาก่รเพราะท่านบอกพระพุทธบาลบอกมาตั้งแต่ก่อนบอกว่าเวลาที่จะเทศต้องเจริญกรรมฐานให้เต็มกาลังขณะที่อีเ้เบหินสกาเรียถวายนะั่นตอนนั้นจะเป็นเวลาเจริญกรรมฐานเสียงครือว่าไปไหมเราทําทสมาธิเมื่อทําสมนามทาีเต็มปั๊บก็รัตนาบารมีพระเจ้าเราจะเห็นท่าอะไรมา พระเจ้าภาษาพุทธมานะถ้าวันไหนเห็นภาษาดิบุตรนั่งข้างหน้าวันนั้นเทศขึ่งกันแรกจะเรียบเรียบร้อยแต่กึ่งกันหลังไม่ใช่คนเดียวนะกึ่งกันเท่นกันหลังหาไม่ไหวไอ้กึ่งกันแรกคนยังไม่เมื่อยขึ้นกันหลังนั้นคนเริ่มเมื่อยแล้วต้องหาถ้าพูดในธรรมะนะหาตึงตึงแนวจนอยู่ในธรรมเคยลงท้ายลงท่านาเฉย ถ้าอีกวัดหนึ่งเียว่าเขามีไ ง, งกระถิน่นเราก็ไปมาทานกระถินใช่ไหมคขาที่หมดในเทศแต่เขารีว่าทานไม่ได้ยาเทศไอเขาเทศเอาสั่งไม่ได้ประทานนี่เขาก็ถวายสั่งทำมาถ้าด่าที่เทศแล้วก็ไม่ไห ว, วคือก็ไม่ได้นอนไม่ได้หลับใช่ไหมไอเสื่องกรถินเมืองไปกูมาก็อยู่ด้นา น, นหนัจากรับกันนะแล้วก็ตอนเช้าก็ไม่ได้พักไปต้องไปเท่ากระถิน่นบ่า ย, ยต้องเทศ มนนันก็นึไอ้หนิงโหนิทรมานพระก็ตั้งใจว่าเทศสิห้านาทีก็พอวะก็ะขึ้นไปเทศไม่ใช่สิห้านาทีมองดูในกาว่าเมาได้ถึงสิห้านาทีมันไม่ถึงนาทีในากายก็เดินเทศไปก็ บ, บองดูนิกาไปลงเดินไม่ถึงสิห้านาทีก็ลุกเทศไปเรื่อยเทศใจเช็คนั่งข้างหลังสุดนั้งสองคนค่อยๆลืน่นขึ้นมาจนต้องนั่ ง, งามาถมาน พอเทศจบเค้าปรากฏว่าหมดเวลาไปสองชั่วโมงในกาเราเดินไปถึงที่ห้านาทีท่านทำให้เห็นเรื่องนั้นนะแต่ว่าผลมันมีว่าพอตอนกลางคืนก็ได้ข่าวเพราะมีคนมาส่งข่าวตั้งสามทุ่มไลยก็มีเจ๊กสองคนที่หลัก5้าไปดั่งบนว่าไม่น่าจะมีบนเท่านั้นมาเทศเลยเสียตังมาเปล่า เขาก็เลยบอกว่าสตดตังที่ถวายไว้สองพันบาททัานท่านมด่ไปถ้าถวายที่วัดจะหมดเราเชื้อถังน้ํำนั่นเลยนั่ค่อยชั่วหน่อยอาสาทําไมล่ะองค์นั้นไม่เทพมีพระทองคํานั่งข้างหน้าเทพองค์เดียวองค์นั้นนั่งข้างหลังเขาเห็นเราก็จะเจ้าครับอูเขาก็เขาก็รับโอ้ฝ่าดีเงี้นะราบครับมีบุญณตาดีเห็นได้นะตาดียายก็ดีครับ <c oughs> ไม่ดีแต่ตายอย่างเดียวไหมดีแตตายอย่างเดียวอดข้าวอ า, วาอลัทธนาก่อนนี่เขาจริงดีพอเขาถามเขาก็เขาเอา่ยปากถามไม่ตันเต็มมือหยกแค่พูดคําแรกเราจะ ม, มีความรู้สึกว่าต้องตอบแบบนั้นแล้วก็โดยมากเช่นเทศ ท, ที่มีสมุดเล็เเเกๆอยู่เล่มว่าตอบแล้วก็บันทึกไว้ยอ่อๆกลับมดาดต็มมือหยกมันจะตรงทหรีอผิด ท, ทานนี้สอนรู้ว่าคือพูดไปก็ดึก ตอนนี้ไปพระดาญาติโยมพุทธวิชาตันไหลตั้งใจสมาทานศีลมาทางควารทาน